ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าิบกาห้าสษบาสิบเก้าที่ทิกาหรร้ากาหรรสิีเก้าก้าห้าสิสิบเก้้าสกาห้สาหสหก้สห Di mana kantor pos yang terdekat? ที่ทําการปรษณียใกลจากที่นี่ไหม Apakah jaraknya jauh sampai ke kantor pos berikutnya? จุดปรษณียที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Di mana kotak surat berikutnya? ดิฉันต้องการสเต็มสองสามดวง saya m e m b u t ส h ั a n beberapa perangko สเมามตกรันอการ์เอดและจรเอดหงกสมาย u n t u ั s e b u a การ r t u pos dan s ม b u a h surat ค่าส่องสานตอกรเมสอาอการเตมอสดันการเสาวการสเตามั้ารสเงาารสนอเมรการาาเาร berapa biaya perangko yang d i b a y a อ untuk เ e a m อ r i อเมริกาพัสดุหนักเท่าไหร่เ p ร b e r a บร a k ั t ด y a องฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมฉันสม a รถส่งจดหมายอาก e ศได้ไหมหงจดหมายอากาศได้ไหม ใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง b บราปาล่าม่าสัมไปญะสุรัตอิตูดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนด i มานาส a า a บ i s a เมน e ล p ปอนตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนด i มานา t e ลปอนอุ m ม m t ม r d ต k ร t ดกั คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ akah p a Anda memiliki kartu telpon? คุณมีสมสุดโทรศัพท์ไหมคะ akah p a Anda memiliki buku telpon? e คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ tahukah ah Anda โเลขโทรศอสเตรียรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะส e b e n t ่ r saya ่ i h a t dulu อดคสายไม่วอ่องตลรอดเวลาะคสัรูคร่อดูอคร่ออะรอะร Nomor berapa yang anda tekan? k a a harus n e k a n angka 0 terlebih dahulu.